พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสองพระสูตรที่ส8ิบโกสัมพิยสูตรสูตรว่าด้วยภิกษุชาวกรุงโกสัมพีพระผู้มีพระภาคประทับนโคสิตตารามใกล้กรุงโกสัมพีสมัยนั้นภิกษุในกรุงโกสัมพีร้าวฉานทะเลาะวิวาดกันใช้วาจาทิมแทงกันไม่สามารถทำความเข้าใจกันได้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสสั่งภิกษุรูปหนึ่งให้เรียกภิกษุเหล่านั้นมาประชุมกันตรัสสอบถามเธอทั้งหลายรับว่าทะเลาะวิวาทกันจริงจึงตรัสถามว่าในสมัยที่ทะเลาะวิวาทกันนั้นเธอได้ตั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรมจารีทั้งในที่แจ้งที่รับบ้างหรือเปล่า เมื่อกราบทูลว่าเปล่าจึงตรัสว่าพวกเธอรู้อะไรเห็นอะไรจึงทะเลาะวิวาทกันข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานต่อไปได้ตรัสถึงสารานิยธรรมคือธรรมะอันทาให้ระลึกถึงกันหประการคือหนึ่งตั้งกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตา ตั้งวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตา 3. ตั้งมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนปรมจารีทั้งในที่แจ้งที่ลับ 4. แบ่งปันลาบแก่เพื่อนปรมจารี 5. มีศีลอันดีเสมอด้วยเพื่อนปรมจารี6มีทิฏฐิความเห็นอันประเสริฐ เสมอด้วยเพื่อนโรมาจารีธรรมะทั้งหกอย่างนี้ทำให้ระลึกถึงกันทำให้เป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันเพื่อสามัคคีกันเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในธรรมะหกอย่างนี้ข้อที่เป็นยอดคือทิฏฐิความเห็นอันประเสริฐอันนำออกจากทุกได้ ครั้นแล้วได้ทรงไขความของทิฏฐิอันประเสริฐอันนำออกจากทุกได้โดยชี้ไปถึงยานที่สองถึงยานที่เจ็ดอันเป็นอริยะเป็นโล ก, กุตระคือข้ามโลกไม่ทั่วไปแก่ปุทุชนทั้งหลายซึ่งเรียกว่าเป็นองค์เจ็ดที่ทำให้ผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดเหล่านี้ประกอบด้วยโสดาปฏิผลยานทั้งเจ็ดมีดังนี้ ยานที่หนึ่งภิกษุไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาว่าปริยุตฐานะหรือกิเลส ท, ที่ครอบงมจิตในภายในที่เป็นเหตุให้รู้ไม่รู้เห็นตามเป็นจริงที่ยังละไม่ได้มีอยู่หรือไม่คือถ้าภิกษุถูกความกำหนัดในกามหรือกามาราคะความพยาบาทความหดหู่ง่วงงุน ความฟุ้งซ่านรำคาญใจความลังเลสงสัยความคิดที่เวียนอยู่ในโลกนี้หรืออิทธะโลกจินตาการทะเลาะวิวาทครอบงำจิตแล้วมารู้ว่าปริยุติฐานะที่ยังละไม่ได้ไม่มีจิตของเราตั้งไว้ดีแล้วเพื่อตรัสรู้สัจธรรมเธอก็ได้บรรลุญาณที่หนึ่งอันเป็นอริยะเป็นโลกุตระ เป็นอาสาธรรณะแก่ปุตุชนทั้งหลายยานที่สองอริยาสาวกพิจารณาว่าเราสองเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้หรือเปล่าซึ่งเราจะได้ความสงบระงับได้ความดับเย็นหรือนิพุติเฉพาะตนเธอรู้ว่าสองเสพเจริญทำให้มากทิฏฐินี้ เธอก็ได้บรรลุยานที่สองยานที่สามอริยาสาวกพิจารณาว่ามีสมณะพราหมณ์อื่นในภายนอกศาสนานี้ที่ประกอบด้วยทิฏฐิอย่างที่เรามีหรือไม่หนอเธอรู้ว่าไม่มีเธอก็ได้บรรลุยานที่สามยานที่สี่อริยาสาวกพิจารณาว่า เราประกอบด้วยธรรมดาเช่นเดียวกับบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาชนิดนั้นหรือไม่ธรรมดาสำหรับบุคคลเช่นนั้นคือต้องอาบัตก็แสดงเปิดเผยทำให้ปรากฏในสัสดาหรือในเพื่อนพรมจรีผู้รู้โดยพลันแล้วสำรวมระวังต่อไปเธอรู้ว่าเธอประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้น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 การเพ่งเล็งอย่างแรงกล้าเพื่อการศึกษาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคือศีลสมาธิปัญญาอันยิ่งเธอรู้ว่าเธอประกอบด้วยปัญญาเช่นนั้นเธอก็ได้บรรลุยานที่ห้ายานที่หกอริยาสาวกพิจารณาว่าเราประกอบด้วยความเป็นผู้มีกำลังเช่นเดียวกับบุคคล ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยความเป็นผู้มีกำลังชนิดนั้นหรือไม่ความเป็นผู้มีกำลังสำหรับบุคคลเช่นนั้นคือเมื่อมีผู้แสดงธรรมที่พระตถาคตรประกาศแล้วเขาย่อมตั้งใจเงี่ยโสอดสดับธรรมเธอรู้ว่าเธอประกอบด้วยความเป็นผู้มีกำลังเช่นนั้นเธอก็ได้บรรลุญาณที่หก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 เธอรู้ว่าเธอประกอบด้วยความเป็นผู้มีกําลังเช่นนั้นเธอก็ได้บรรลุญาณที่เจ็ดสรัสสรุปว่าธรรมดาอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดเป็นอันสอบสวนด้วยดีเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลอย่างนี้อริยาสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดอย่างนี้ย่อมประกอบด้วยโสดาปฏิผล